อีกสูตรหนึ่งนะว่าปฏิปทาสูตรนะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติเหมือนกันคือข้อปฏิบัติสองสายอนคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะกับข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตตะเนี่ยนะะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าศึกษาสูตรไหนก็ตามพระองค์ก็จะพูดว่าเราทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนะนนถ้าจาพุทธพจน์ ตรงนี้ไว้ได้นะก็จะไม่มีปัญหาเพราะอ่านสูตรไหนก็จะลักษณะเดียวกันหมดคือพูดทุกเป็นอย่างนี้นะเกิดมาจากปัจจัยแบบนี้แบบนี้ความดับทุกเป็นอย่างนี้ถ้าจะดับได้ดับได้อย่างนี้อย่างนี้นะก็มีอยู่เท่านี้แหละคาสอนในพุทธศาสนาแต่ถ้าเข้าใจได้ขนาดนั้นก็มองประไตรปิฎกออกทั้งประไตรปิฎกอีกนั่นแหละถ้าเข้าใจถูกตรงจริงๆะนะดูกวามพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงส ก, กายสมมทัย เห็นนะคือเหตุเกิดแห่งส ก, กายะและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงส ก, กายะนิโรธเห็นนะคือแสดงวิธีว่าส ก, กายะสมุทัยเนี่ยมันเกิดได้ยังไงจะแสดงวิธีว่าส ก, กายะนิโรธเนี่ยเกิดได้ยังไงเธอทั้งหลายจงฟังปฏิปทาทั้งสองนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงส ก, กายะสมุทัยเนี่ยเป็นไงดูก่อนพิสูจทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ตามสูตรนะคือพวกที่มีสกายะทิฐิ20นั่นเองเห็นขันห้าโดยความเป็นอัตตาหรือว่าเห็นอัตตาเนี่ยมีคือเห็นเห็นอัตตามีขันห้าเห็นขันห้าในอัตตาเห็นอัตตาในขันห้านะก็ว่าสลับสลับกันอย่างนี้แหละ ดูก่อพิสูจนทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงส ก, กายะสมุทัยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําที่กล่าวแล้วนี้เรียกว่าการตามเห็นอันจะยังสัตว์ให้ถึงส ก, กายะสมุทัยนี่แหละเป็นใจความข้อ น, นี้นไะก็วิธีสร้างวัตตะนะถ้าพูดพูดทดสำนวนเราว่าวิธีสร้างวัตตะคือหนึ่งให้คิดว่ารูปเป็นเรานะเป็นอัตตาสองอัตตาเนี่ยมันอยู่ในรูปสรูปเนี่ยอยู่ในอัตตา สีอัตตาอยู่ในรูปเนี่ยนะเวทนาเป็นอัตตาอัตตามีเวทนาอัตตาในเวทนานะเวทนาในอัตตาเนี่ยนะก็วิธีคิดแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้มากๆนะส่งเสริมแนวความคิดนี้เยอะๆนี่แหละเรียกว่าปฏิปทาที่จะหรือเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างวตัตเนี่ยนะถ้าพูดแบบสํานวนร้าวๆห้วนๆเลยก็คือ ก็ไม่ต้องไปสนใจธรรมะอะไรเลยนะคิดแบบที่เราเคยคิดมานะเกิดมาคิดยังไงคิดอะไรก็คิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนี่ยนะนี่แหละวิธีสร้างวัตตนะแบบที่คุณบุญชูว่านะเกิดมาแล้วคิดยังไงก็ส่งเสริมให้ความคิดนั้งแตเกิดมาเรื่อยๆนะมันชอบอะไรก็คิดไปอย่างนั้นเรื่อยๆมากๆนะนั่นแหละสร้างวัตต์เป็นวิธีสร้างเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวิธีสร้างไม่ให้มันมีวัตต์ก็คิดตามพระพุทธเจ้าพาคิดเนี่ยนะนะคิดว่าคิดเพื่อดับวตต์านั้น ใหม่คิดใหม่คิดใหม่ทำไม่พักไหนเนาะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วไม่ใช่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยไี่จะไม่ไม่น่ายากคนนะให้คิดให้คิดฝึกให้คิดให้ถูกต้องไม่ง่ายเลยไม่ง่าย ยากนนายก็เขาบอกว่าอะไรหนอยากในาศาสนานี้เขาบอกว่าบวชนะ่ายากแล้วอะไรของคนที่บวชแล้วมันยากกันบอกยินดีในการบวชนี่ยยาก <c oughs> นะนะคือได้มาบอชที่จะได้บวชนี่มันก็ยากอยู่เลยนศาสนาเนี่ยนะว่ามัร่วมนะเพะไอ้ที่ยากกว่าบวชอีกคืออ่ะคือบวชแล้วยินดีแหมดีเหลือเกินที่ได้บวชนี่ยีก็ยากแล้วยินดีในการบวชนะ ปฏิบัติธรรมสมกวนแกทมอันนั้นก็ยากเข้าไปอีกเนี่ยนะยากหลายชั้นมากหยไม่ได้บวชเลย <laughs> <laughs> น, นก็ <laughs> ก็บอกก็ถามว่าอะไรยากว่าบวชนี่ยาก <laughs> ดูความพิสูนทั้งหลายก็ปฏิปทาอันจะยังสา์ให้ถึงสกายะนิโรธเป็นไนะดูความพิสูนทั้งหลายอริยาสาวกในศาสนานี้เป็นผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมะของพระอริยะได้รับการแนะนําดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษได้รับการแนะนําดีแล้วในสัพุริสธรรมก็ไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองอนะก็คือไม่ได้เข้าไปเห็นสขันท่าด้วยอำนาจสกายะทิฐิอะไรเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงสักายะนิโรธเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูนทั้งหลายคำที่กล่าวแล้วนี้เรียกว่าการพิจารณาอันจะยังสัตให้ถึงส ก, กายะนิโรธนี้เป็นใจความข้อนี้นนะก็บอกสองสายเลยนะว่าสายวัตตะเป็นอย่างนี้นะสายวิวัตะเป็นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเระลึกถึงคำสอนนี้ได้เสมอๆก็จะเห็นว่าเอ๊ะคิดแบบนี้เนี่ยมันคิดตามวัตตะนี่เออคิดอย่างนี้นี่คิดตามคาสอนนี่ดูพ้นวัตตะเนี่ยนะถ้าคิดสายนี้ไปมากๆ วัตถุทุกไม่มีจบมีสิ้นถ้าคิดอย่างนี้มากๆสิ้นแน่วัตถุทุกเนี่ยนะก็แยกยมันแยกแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเห็นคุณของของการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมตามคําสอนมากขึ้นห็นไสรุปได้ไหมครับว่าคิดอย่างไงครับจึงจะคิดเป็นการออกจากวัตถุครับพอสรุปได้ไหมครับก็ ไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เห็นตนเนี่ยมีไม่ตามเห็นตนเนี่ยมีรูปไม่เห็นรูปในตนไม่เห็นตนในรูปนั่นแหละถามว่าอ้าวแล้วมันเห็นให้เห็นเป็นอะไรก็บอกเห็นขันห้าเป็นขันห้าเ่านะชั้นแรกก่อนนะให้เห็นขันห้าเป็นขันห้าคือสัตว์จริงๆนะไม่ค่อยเห็นขันห้าเป็นขันห้านะมันจะเข้าไปเห็นแบบแบบอย่างที่เราอยากจะเห็นอ่ะนะคือไม่เห็นขันห้าเป็นขันห้าก่อน อย่างเช่นอะนะถ้าขันห้าทวารตานะจับโศกับรูปเป็นรูปประขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันภาษะเป็นสังขารขันสัญญาเป็นสัญญาขันภาษะเจตนาเป็นสังขารขันนั้นขณะที่เห็นขันห้าขันห้าเนี่ยประชุมพร้อมกันเรียกว่าขันห้าแต่เราเห็นเป็นขันห้าไหมไม่ค่อยเห็นเป็นขันห้ามันเห็นเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขันห้านั่นนะ ทีนี้ถ้าในชั้นแรกที่ว่าให้เห็นขันห้าเป็นขันห้าก่อนโดยที่ไม่ได้ไปเข้าใจอย่างอื่นแล้วก็มาพิจารณาว่าขันแต่ละขันเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรเช่นจากโขเนี่ยนะเกิดจากมหาภูตรูปสีก็เกิดจากมหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นเหตุให้เกิดรูปประขันภาษะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนามรูปเป็นเหตุแห่งวิญญาณขันก็ขันห้าเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะ แล้วขันเหล่านี้อีกต่อไปนะแล้วปัใจจัยให้เกิดปัดจจัยเหล่านั้นอะเกิดจากอะไรแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปคือให้เห็นเป็นขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยแล้วตลอดสายนย่านะ้แล้วขันเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้พระพุทธเจ้าชี้นํำนะชี้นาว่าเธอต้องหมั่นคิดอย่างนี้ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่นะเป็นต้นนั่นเองนะนะถ้าคิดตามแนวนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อีกสูตรหนึ่งนะอันนี้จะสูตรที่หนึ่งว่า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 รูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะเออนี่ Seriously แหละถ้าถามว่าวิธีคิดอนะว่าถ้าจะให้พ้นทุกข์คิดแบบนี้เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตย่อมคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันเนียนะ ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะอริยมรรคจะเกิดอริยผลจะเกิดแล้วก็จะไม่มีอุปาทานในขันห้าเลยมั้งกันคือโดยเฉพาะจะไม่มีอุปาทานในโรคประคันเลยคือละสมุทัยได้เด็ดขาดแน่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายเพิงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตย่อมคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเน้นให้ชัดเจนนะว่าคือให้เห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วไม่ต้องไปมีตัณหามาณนะทิฏฐิอะไรในขันห้าเลยเนี่ยนะ เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาโดยที่ไม่ตันหาไม่เข้าไปคล่องทิฏฐิไม่เข้าไปคล่องมาน่ไม่เข้าไปพันเนี่ยนะนี่ก็บอกวิธีปฏิบัติที่รัดลัดสั้นๆง่ายๆแต่เจริญยากดูการพิสูจนทั้งหลายถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดแล้วจากรูปธาตุหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นถ้าจิตของพิสูจหลุดคลายกำหนัดแล้วจากเวทนาธาต์สัญญาธาต์สังขารคาต สังขารธาตุจากวิญญาณาธาตุหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเพราะหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จิตจึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นพิสูุนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนนะอ๋อที่ จำนวนนะถ้าพราองตรัด ก, กับพระพิสูจน์นะที่เธอบวชเข้ามาทั้งหมดเนี่ยให้เธอมาทําแบบนี้นะถ้าเธอทําอย่างเนี้ยจบแล้วศาสนานี้แะบนัน้จบที่สุดศาสนานี้แล้วแบบนั้นเถอะค น, นก็จะปรินิพานเฉพาะตนนะแบบนั้นแต่ละส่วนคงจะมีผู้บรรลุเพราะส่วนนั้นแทบทุกส่วนต้องต้องมีผลต้องมีผลอยู่แล้วเห็นยวมาถ้าถ้าไม่มีผลเนี่ยจะไม่แสดง แต่ก็มีบางสูตรที่ลักษณะสูตรที่บ่มนิสัยนะเป็นสูตรที่บ่มบ่มนิสัยอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะถามว่าถ้าตามเห็นแบบนี้แล้วมีผลยังไงต่อทิฏฐิไหมละทิฏฐิได้ยังไงนะว่าเอ๊ะตามเห็นกรุบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะมันจะละทิฏฐิหกสิบสองได้หรือเนี่ยนะใครอ่านพรมชาลสูตรมานะ เอ้มันแล้วถ้าอย่างงี้นะไม่ได้ศึกษาพรหมชาลสูตรแล้วมันจะละมิจฉาทิฏฐิได้หรืออย่างเง้ยนะบอกว่าได้นะถ้าถ้าคิดตามสูตรจริงๆนะถ้าคิดตามระบบแล้วมันแก้ปัญหาอย่างอื่นได้หมดเลยดูการพี่สูจนทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึ่งเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนีย่ยนะเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ทิฐิอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นย่อมไม่มีเนีย่ยนะคือคือพวกนักคิดเรื่องอดีตทั้งหลายและเนี่ยนะอดีตชาติเรามีหรืรอเปล่านะ อดีตชาตินะยิ่งถอยหลังชาติได้ถอยหลังถอยหลังไปนะจริงๆอ่ะทั้งหมดที่ถอยหลังมันจะถอยหลังและเลืกไปได้อีกกี่สักกี่อดีตมันจะยาวนานขนาดไหนก็ช่างอ่ะจริงๆมันคืออะไรคือขันห้าอ่านะมันจะอดีตเมื่อสักกี่พันล้านสหัสวรสดก็ช่างเถอะมันก็คือขันห้าวันยังค่ําเพราะฉะนั้นก็ขันห้านั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นให้เห็นว่านั่นทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถามเป็นอะไรมันเป็นขันห้าที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาบรรจงคั่มนั่นแหละเออถ้าคิดอย่างนี้ได้นะไอ้ทิฐิที่พัวพันในอดีตมันก็ไม่มีนะมันจะไม่ละห้อยหาอะไรอววรู้อดีตเคยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะมันก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ดีอะนะมันคือมันจะอดีตเท่าไหร่มันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหม เมื่อทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นไม่มีทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนเบื้องปลายคืออนาคตก็ย่อมไม่มีมันในอดีตชาติสักกี่พันโกรธล้านกลับมันก็คือขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชีวิตถ้าจะมีข้างหน้าต่อไปอีกกันนะเกิดตายเกิดตายไร้เกิดนะเกิดตายหรือตายเกิดของเรานี่ยนะเกิดตายเกิดหรือว่าเกิดตายของเราของเรา ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดนันะแต่แต่บอกว่าเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเนี่ยนะยังไงแต่ว่าถ้าว่าให้ตรงนะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดนะเพราะมันจะเกิดอีกเท่าไหร่มันก็คืออะไรเกิดขันห้ามันเกิดแล้วขันห้าที่มันจะเกิดต่อไปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง มันก็ไม่เที่ยงกันนะเพราะฉะนั้นจำไม่คิดว่าเออมันจะเกิดมันเกิดเป็นอะไรมันก็ขันห้าวันยังค่ํานั่นแหละมันขันห้าเที่ยงไม่มีรอกนะะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไอ้จะไปวิจัยว่าเออบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงรูปเที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไนี่มันก็ไม่มีแล้วขันห้ายังไงมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนเบื้องปลายก็ย่อมไม่มีอนะที่จะไปคิดเรื่องอนาคตนะอนาคตเนี่ยมันจะ มันจะเป็นอะไรนาะมันจะเกิดเป็นยังไงนาะมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรต่อไปอีกนาะมันมีสัญญาหรือมันไม่มีสัญญามันมีรูปหรือมันไม่มีรูปแต่ว่าโดยรวมๆมันก็คือขันธานั่นแหละนันะขันธ์ห้ามันจะอีกเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยังเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหละเมื่อทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนเบื้องปลายไม่มีคืออดีตอันนะขออภัยทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายคืออนาคตไม่มีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าย่อมไม่มี คือไอ้ทิฐิที่ไปยึดถือในในขันเหล่านั้นก็ไม่มีนะถือทิฐิที่ไปยึดในสิ่งนั้นก็ไม่มีเมื่อความยึดมั่นไม่มีจิตย่อมคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิณ ญ, ญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะหลุดพ้นจิตจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับรอบเฉพาะตนพิสูจนนั้นรู้ว่ารู้ชาติว่า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 อรหัตตมัคอรหั ต, ตผลซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะจบที่อรหัตตมัคอรหั ต, ตผลหมดเลยเนี่ยนะก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงสาระหรือใจความสำคัญสาคัญหรือหลักการของพระาศาสนานี้เนี่ยนะทิฐินี้ธรรมวินัยนี้<ม>เห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี<ม>่ยนะเพืพพ่อละคลายกิเลสเป็นต้นนั่นเองเนีย่ยไงคุณมูมีจะถามอะไรมีสามข้อครับ ชิรณะเตโชคืออะไรคนระับคุณต้องใจถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันแปลว่าอะไรชิรณะเตโชใช่ ช, ชิรณะเนี่ยก็คือชร า, าความชราเนี่ยนะชิรณะเตโชก็คือเตโชแปลว่าธาตุไฟธาตุไฟที่ทาให้เกิดการชราขึ้นอทีนี้ธาตุาไฟที่ทาให้เกิดการชราเนี่ยมันก็อยู่ในร่างกาย สมุธฐานที่ทำให้ธาตุไฟอันนั้นเกิดมีสี่อยา่างไอความร้อนอันนี้นะความร้อนที่ทำให้แก่นะก็คือมาจากกรรมก็มีจากอุตุก็มีจากจิตก็มีจากอาหารก็มีพอต่อไปนะครับผมเคยแสดงทำให้ช่างตัดผมฟังไป <c oughs> ต, ตัดผมก็พูดํามว่าเขาฟังผมว่า <c oughs> ความเกิดเป็นทุกข์แกแล้วตีว่าไม่ ทำไมไม่ลึกถึงตอนที่มันสนุกมั่งล่ะผมก็เล่นนเลยไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับผมบอกความเกิดเป็นทุกข์ก็บอกไม่นึกถึงตอนที่มันสนุกมั่งล่ะผมก็เลยนิ่งไเลยไม่รู้จะแก้ก็แสดงว่าเราเห็นด้วยกับที่เขาว่าไปเสนอทิติเขาปราบแล้วอยู่เลยอเอาก็ไปเห็นด้วยกับเขาเนี่ยเออใช่มันก็มีไอที่สนุกบ้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยเห็นด้วยกับเขาก็เลยหยุดเลย ก็พอไปเห็นด้วยกับเขามันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันจริงอย่างเขาว่าไหมนานนรอ่ <laughs> ตอนที่มันสนุกมันก็มันรู้สึกสนุกับเกิดมาเอางี้นะครับถามว่าและความสนุกกันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ครับอ้าวสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยควรไหมที่ว่ามันเกิดแล้วเป็นสุขอะ <laughs> ไม่ความสุขเออความสุขอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงอะไรนี่เนี่ยนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันจะมากกว่าความสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าขันห้ามันไม่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสอะไรหรอกมันไม่ใช่มันไม่มีถ้าหากว่าขันห้าไม่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสนะไม่มีใครติดรอกไม่มีใครเพลิดเพลินรอกแต่เรื่องจากขันห้าเนี่ย มันเป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัสเนี่ยมีอยู่แต่ขันท่าเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสสุขอันนั้นมันน้อยเกินไปที่คนมีปัญญาทั้งหลายจะไปเพลิดเพลินมันเหมือนกับว่ า, อ, าอะไรหิวน้ํามากะนะไปเห็นน้ําค้างแล้วค่อยๆแหมแต่มาหยดเดียวแล้วก็กินนี้เดียวนั้น น, น่อ่อนหน่อยเดียว่มันไม่พอจะอิ่มอะไรได้แต่ถ้าสํานวนท่านให้ตรงเลยนะบอกว่ามันเหมือนกับว่า เห็นความอร่อยคือว่าความหวานของน้ําผึ้งอ่ะนะที่มันอาบอยู่กับคมมีดโกนขนนกอ่ะนะมีดโกนบางยี่ห้อมันอาจจะไม่ค่อยคมนะขนนก ม, ม, มันเหมือนชั้นหนึ่งเหมือนกันเพรฉะนั้นถ้าวางนะเอาใบมีดโกนเนี่ยวางแล้วก็ลูบไปน้ําผึ้งเนะเอามาตั้งนะแล้วเลียดูเถอลิ้นเนี่ยสองแฉกทันทีเลยนะ <Okay. S 1> ก็ไม่กล่าวว่าความหวานอันนั้นไม่มีมีแต่ว่าโทษมันมากเกินไป ถามันโทษมันมียังไงบ้างโทษทั้งหลายที่เกิดจากความสนุกที่ว่านี่ยนะมีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปเช่นเรามีวัตถุสิ่งใดสิ่งนั้นก่อให้เกิดความสนุกวัตถุนั้นเมื่อเสียหายไปเราทุกไหมก็ทุกนะแล้วทีนี้ไอ้อขณะที่เราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความสนุกก่อด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตก็ด้วยอกุศลจิตมีโทษหรือไม่มีโทษ มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งในโลกนี้ทุกข์ทั้งในโลกหน้าแล้วก็ทุกข์อย่างยิ่งในวัฏฏะโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ก็มันเหมือนกับคําที่บอกว่าไอ้ติดยาบ้ามันไม่ดีเลยมันบ้าคนติดยาบ้าเขาก็ถามว่าเอาตอนคุณสูบมันเมามันก็สนุกดีไม่ใช่หรือเนี่ยนเพราะนั้นก็เห็นด้วยซื้อยาบ้าให้เขาสูบเล ย, ยงไงว่า <c oughs> ก็ลักษณะเดียวกันไม่ค่อยต่างอะไรกัน การเกิดขึ้นของขันห้าการเพลิดเพลินในขันห้านะมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งในทางธรรมะเนยถือว่าเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่เว้นผู้มีอุปนิสัยที่จะตรัสโลมักผลเสียคนทั่วไปไม่เห็นโทษนะไม่คิดว่ามีโทษด้วยไม่ไม่เห็นโทษไม่คิดว่ามีโทษนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงผูกพันหมกมุ่นติดข้องอยู่ในสกายะเนี่ยนะทิ้งสกายะอันหนึ่งแสวงหาสกายะอันหนึ่ง ทิ้งขันห้าอันหนึ่งก็แสวงหาขันห้าอีกอันหนึ่งก็เสาะแสวงหาขันห้ายังไงไปเรื่อยก็สามนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในโลกมันเหมือนตลับเทปหรือเปล่าที่พระเจ้าเลาเล่อันนี้คนคอุปมาเองเนี่ยรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งอดีตเนี่ยาที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันเหมือนตลับเทปคุณก็กรอกลับมาได้แล้วเปิดฟังใหม่ได้ที่อ่านะถ้าเป็นอนาคตถ้ามันเหมือนตลับเทปก็ เราก็กรอให้มันเร็วไปข้างหน้าใช่ไหม <mie i> เราก็จะได้เห็นในข้างหน้าไปเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง <S <S <S มันไม่ใช่ผมเรื่องจ่าพยากรณนอนาคตได้และกระลึกชาติได้ทั้งสองอย่างจะเล่าให้ฟังว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ไอร้ระลึกชาติได้อะ่ะมันเหมือนจะคุณมานั่งอยู่ตรงนี้นะคนคนก่าจะมานั่งตรงนี้อ่ขับรถเครื่องมา <S <S แล้วไอ้ที่ขับรถเครื่องนี้ขับมาจากไหนก็ลไล่อย่างนี้ <S <S ไปเรื่อยๆถามว่าไอ้การระลึกอย่างเนี้ยเรียกว่ากรอกลับหรือเปล่า ถ้ากลอกกลับคุณก็ต้องไปตากแดดนันึหรือว่าไปตากลมอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่มันแค่ระลึกย้อนลงไปเท่านั้นเอง แ, แล้วเอามาดูสิถอดมาดูสิถอดมามันไม่ได้มีที่เก็บอย่างที่ว่าหรอก ค, คือมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วมันก็หมดไปเนี่ย น, นะแต่ว่าอย่าลืมคาว่าเป็นปัจจัยนะ สิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งนั้นถึงไม่มีอยู่แต่ก็มาเป็นปัจจัยได้น่ะถึงมันเคยมีมันมีแล้วมันหมดไปสิ่งนั้นก็มาเป็นปัจจัยในตอนหลังได้เหมือนอะไรเหมือนนี่อะกู้มาก็ใช้หมดแล้วแต่มันต้องใช้เขาคืนนะเมื่อเราไปกู้นี่ใช่ไหมอา้าวมันก็กู้ไหมกู้แล้วใช้แล้วใช้หมดเกลี้ยงแล้วอะไรแล้วแต่วันหลังมันต้องใช้คืนอ่ะ ไอชวนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเวลาทำกรรมมันก็ลักษณะเดียวกันมันเหมือนกับการไปประชุมนัดหมายสังสรรค์ร่างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่มันมีผลบังคับใช้ต่อไปข้างหน้าแต่พอร่างเสร็จมันก็หายไปแล้วนะแต่ว่ามันจะมีผลบังคับใช้ต่อไปแต่ว่าถ้าตัดเหตุตัดใจพร้อมนะไอ้ที่ร่างเอาไว้มันก็ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไปนะถ้าคุณล้มกฎหมายได้มันก็ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไป จะรู้ได้ไงว่าคนที่เกิดชาติต่อไปจะชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้และโยชน์สูมตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันก็แปลแจะเลือกอนาคตได้อย่างว่าศรีอาริยเมตตาโยมเจ้าพยากรณ์ว่าจะมาเกิดเป็นพระศรีอาริยเมตไตาทาไมรู้ว่าจะชื่ออาริยเมตตาคือเรื่องนี้อ่ะมันยังไม่ทันเกิด<ะ>แต่คนมีปัญญาเข้ารู้ได้ว่ามันจะเกิดเ<ะ>นี่ยนะเอาพูดง่ายๆอย่ะอย่างช่วงนี้มันมืดนะ ถ้าคนที่ไม่บวมเลยนะมีสติเต็มๆ เ, เนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าอีกสิบสองชั่วโมงข้างหน้ามันจะสว่างหมดเลยเขารู้ได้ไหมรู้ด้วยหรือว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางไหนใช่ไหมอันนี้ด้วยอนุภาพของอะไรอนุภาพของปัญญามันส่องไปได้เนี่ยนะว่าว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมในลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็พยากรณ์ไปตามสิ่งนั้นที่จักมีจริง แล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้ที่มีความสามารถอย่างเงี้ยพยากรถูกตรงเป๊ะเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีบางกอก็พยากรว่าพระพุทธเจ้าอจปบันีว่าโคดมีโค ด, ดม เ, ค เ, ค เ, คเหตุเหตุปัจจัย เ, เหตุปัจจัยที่จะให้เป็นแบบนั้นนะพระองค์เป็นผู้ที่รู้เหตุปัจจัยแต่สิ่งนั้นยังไม่เกิดแต่จะเกิดรู้ได้ครับรู้ได้สำหรับผู้มีปัญญา ด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะไม่เหมือนไม่เหมือน <c oughs> ตลับเทพนี่มันทฤษฎีใช่สด <c oughs> อติตัแปลว่าอะไรหรือว่าทาไม <c oughs> เขียนว่าง่ยใช่ไหม <c oughs> อุกขติตันโยนนเนี่ยนะอุคฆะเนี่ยแปลว่าผู้ตรัสะรู้เร็วมันมันมีกลุ่มคำอยู่สี่คำ คือหนึ่งอุคติตันยูสองวิปัญจิตันยูสามนยะบุคคลสี่ปะทะปรมะอุคติตันยูพระพุทธเจ้าเวลาเทศเนี่ยนะผู้ฟังเนี่ยโดยทั่วๆไปจะมีอยู่สี่ประเภทเนี่ยอุคติตันยูก็คือพวกที่เรียกนิยมแปลว่าบัวชั้นแรกนะบัวที่โผล่พ้นน้ำรับพระธรรมเทศน า, นาก็สามารถตรัสรู้เลยเหมือนบัวที่พ้นน้ำรับแสงอาทิต์ ก, ก, ก็ก็สว่างาก็บานเลย ส่วนพวกวิปปัญจิตันยูเนี่ยนะต้องเหมือนกับบัวปริมน้ำเห่ืงนกนเถอะวันพรุ่งนะ่าค่อยบานเนี่ยนะหรือพวกวิปปัญจิตันยูก็ต้องฟังเทศนาที่เรื่องนั้นแหละแต่กว้างขวางมากขึ้นเขาจึงจะบรรลุแต่ถ้าเป็นนัยยะบุคคลก็เหมือนเรานี่แหละถ้าบรรลุเป็นนัยยะ <c oughs> ถ้าไม่บรรลุเป็นปะทะประมะเนี่ยน ะ, ะอุปมาข้ออุปมาว่าเหมือนบัวสีเหล่า น้ำมคนน้มอยู่ใ น, <date. S 2> ในกี่เลนบ้างนั่นน่ะของเราก็เป็นได้สองประเภทสุดท้ายคือท่าบรรลุชาตินี้ได้เป็นนิยะไม่บรรลุเป็นปะทะ ป, ประมะแต่ว่าชาติหน้าเราต้องรู้กว่าพวกอื่นที่ไม่ได้เรียนไว้ก่อนนะทำ <ti> บรรลุเร็วกว่าเพื่อนเราดิไหม <ti> ก็คือเอาเอาในลักษณะนี่นะถ้า เราอาจจะเป็นคนงูที่สุดในห้องในชั้นนี้นะสําหรับรุ่นนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นหน้าเราเข้าเรียนใหม่อีกใช่ไหมวิชาเดิมเนี่ยแหละเราเลยเรียนเก่งกับเพื่อนในคนนี้ น, นะเพราะเราเก็บข้อมูลเก่าไว้แล้วอ่ะพวกคนอื่นมันไม่ได้เรียนมา ก, ก่อนใช่ไหมสู้เราไม่ได้คนนี้เอาแบบนั้นเอาทำไมพุทธการเราคงไม่กระดิกขูเลยไปวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็อาจจะคิดแบบสินค้าละกามานบใช่ไหมพ่อแม่ก็บอกนี่ไปหาพระนะบอกไปหาทำไมพระไปหาเห็นต้องยกมือไหวไปใกล้ๆก็ต้องไปกราบถ้าคลุกเข่ามันก็ปวดเมื่อยรู้จักคุ้นเคยมันก็ต้องถวายอาหารรู้จักทำอะไร <c oughs> คิดแบบสินค้าละกามานบไปยุ่งไหยพ่อแม่ก็เลยเอางี้นะลูกตื่นเช้ามาลูกไหว้ทิศนะ หันไปทิศตะวันออกก็ไหว้ทิศตะวันออกไหว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศล่างทิศบนนะลูกไหว้ทิศหกทิศเลยนะตื่นเช้ามาว่ายอย่างนี้ทุกวันนะอ่าแกก็เชื่อพ่อแม่เหมือนกันนะแต่พ่อแม่มากกว่าจะพูดบอกอย่างนี้แล้วก็เชื่อนะพูดก่อนตายเนั่นนาะมันก็เลยขลังมากคำพูดก่อนตายแล้วก็ว่ายทิศหกทิศปุถุเจ้าพอตรวจดูอุปนิสัยพอได้เวลาเหมาะพรงก็ไปก็บอกเออทําไมจึงไหวยทิศบอกพ่อแม่สอนให้ไหวยทิศอย่างนี้ ก็บอกเออนั่นทิศของเธอแต่ทิศในอริยวินัยคนละอย่างกันอ่าแล้วทิศในอริยวินัยเป็นยังไงพระองค์ก็แสดงทิศหกเลย 6, ในสิงค้าละกะสูตรนะนะบางคน <laughs> เป็นลักษณะนั้นกว่าจะโปรดได้นี่หมต้องเข้าวางแผนให้ไม่รู้กี่ชั้นเนี่ยนะจึงเดินไปเข้าหมาเขาพอดีไว้นะ <laughs>